คนทางภาคอีสานบ้านเกิดของเราส่วนมากจะเชื่อผีและนับถือผีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วไม่ว่าผีแทนผีฟ้าผีปู่ตารวมทั้งเจ้าป่าเจ้าขเขาต่างๆนอกจากนั้นก็คือนับถือผีบรรพบุรุษทั้งปู่ย่าตายายและญาติผู้ใหญ่ต่างๆที่ล่วงลับไปแล้วเชื่อว่าพวกท่านจะคอยคุ้มครองดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข หรือวิญญาณเล่ร่อนเป็นพวกผีร้ายคอยหลอกหลอนผู้คนให้ตกใจจนถึงกับฝันหนีดีฟอหวาดกลัวขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอาการหนักจนล้มตายไปก็มีที่หนักกว่านั้นคือผีป่าผีพลยเราเป็นคนบึงการจังหวัดหนองคายซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับทางท่าเดือทางฝั่งลาวสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญ ผู้คนมีน้อยป่าดงมีมากชาวบ้านมีอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์ซึ่งมีชุกชุมโดยเฉพาะที่ภูสิงห์ตำบลชัยพรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาหารของพวกเราก็ไม่ผิดหรอกถึงจะเป็นป่าสงวนก็จริงแต่าทางการยังไม่เข้มงวดนักเพราะชาวบ้านก็ไปทำมาหากินกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหาของป่าไม่ใช่ทาลายป่าเหมือนเอื่งสมัยนี้ตอนเช้าก็เข้าป่ากัน สะพายปืนแก๊บบ้างถือพล้าบ้างบางคนก็หิ้วตะกร้าไปใส่หน่อไม้ใส่ผักบางคนก็ถนัดทางตีพึ่งหาสมุนไพรต่างๆแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือสเสบียงมื้อกลางวันที่ลูกเมียตะเตรียมไปให้กินกลางทางผีป่าผีพลยดุร้ายอย่างไรอ่ะเหรอพวกหาของป่าออกไปไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พบแต่พวกพลานอย่างตานวลลุงโอด๊ดหน้าโฮมต้องเข้าป่าไปไกล บางทีก็ตามรอยสัตว์เข้าไปในป่าลึกขนาดต้องนอนค้างอ้างแรมก็มีทุกคนบอกว่าเคยเจอผีป่าบ่อยๆแต่มีคาถาอาคมพอตัวก็เลยรอดชีวิตมาได้ตนวนบอกว่าวันหนึ่งเจอฝนตกหนักต้องเข้าไปหลบในถ้ำที่ผูสิงพายุพัดกระหนำ่ำจนต้นไม้หักโค่นเสียงคึกๆ ค, ค, ค, คลึกโครมน่ากลัวและพวกผีก็แห่มาที่หน้าถ้าดามืดแกเล่า ว, ว่าต้องภาวนาคาถาอยู่นาน ฝนซาลงแต่ฝูงผีก็ยังคลางฮือฮืออยู่หน้าถ้ำถ้าไม่มีคาถาป้องกันตัวพวกมันคงจะแห่เข้ามาเล่นงานแกแน่ๆเลยต้องก่อไฟเพื่อใช้กันหนาวและกันผีอาใสานอนอยู่ในถ้ำตลอดคืนจนรุ่งขึ้นถึงกลับบ้านได้แถมล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวลุงโอดบอกว่ายังดีพ่อแกเคยเข้าไปหลบฝนในถ้ำเหมือนกันไม่รู้ว่าถ้ำเดียวกันหรือเปล่าแต่เห็นโครงกระดูกมนุษย์ กับกระโหลกตากลวงโบคลุกดินอยู่ในนั้นพอดีตอนแรกก็ไม่กลัวหรอกแต่โครงกระดูกเจ้ากรรมนั่นเกิดขยับกรอบแกรบหันมาจ้องมองก่อนจะลุกขึ้นยืนแก่งเกลียวกล่าวลุงโอดบอกว่าคาถามีเยอะแต่ลืมหมดวิ่งกเลิดออกมาตากฝนดีกว่าไม่ลืมตกเขาตายก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนาะโฮมบอกว่าผีป่ามีดังผีดังเดิม ที่สิงสู่มาดึกตำบันกับผีพวกพลานที่ถึงคาดชะตาขาดโดนเสือขบหัวตายมั่งโดนงูกัดตายมั่งรวมทั้งผีป่าบาังตาจนหาทางกลับไม่เจอเห็นภาพลงตาว่าหน้าผาหรือหุบเหวทนับจากอดีตมาก็ไม่รู้ว่ากี่ศพแล้วที่หน้าขนหัวลุกมากๆคือนาโฮมบอกว่าชาวบ้านที่เคยหายสาบสูญไปในป่าความจริง ล้วนแต่ตายเพราะสาเหตุต่างๆแต่วิญญาณยังสิงสู่วนเวียนอยู่ในที่ที่ตายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะสมไม่ได้รับการบําเพ็ญกุศลกับญาติไม่รู้แน่ว่าตายแล้วจึงไม่มีใครทําบุญกรวดน้ําไปให้พวกเราเด็กๆได้ฟังก็กลัวป่าดงกันทั้งนั้นแหละยิ่งเขาลือว่าภูสิงนี่ผีดุยิ่งไม่มีใครอยากจะตามผู้ใหญ่เข้าไปหาของป่าแม้แต่หน่อไม้หรือเห็ดเผาะผักหวานก็จะเที่ยวเสาะหาเอา ใ, ใกล้ๆบ้านนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่ง น้โฮมออกไปล่าสัตว์แล้วไม่กลับบ้านตอนค่ำนันนวลกับลุงโอดกลับมาแล้วนั น, นวลก็ยังไม่กลับมานาแปน้นเมียนันวลไปถามคนทั้งสองคนก็บอกว่าไม่เห็นเลยเพราะเข้าป่าก็แยกย้ายกันไปดูเหมือนนโฮมจะตามรอยกวางเขา ง, งามระยะไปทางภูสิงและไม่ได้พบกันจนป่านนี้ณแปน้นร้องหม่มร้องไห้เป็นห่วงผัวไปบอกผู้ใหญ่บ้านก็ทําท่าอ่ำอ่ำอึ้งอึง น้าแป้นถึงกับยกมือไหว้ตะนวนกับลุงโอดใอ้ช่วยตามหาให้ด้วยเพราะไหนจะห่วงผัวไหนจะขาดพ่อขาดผัวเสียคนลูกเมียคงพากันอดตายแน่ๆพรานทั้งสองยอมรับว่ากลัวผีป่าขึ้นชื่อว่าผูสิงแล้วกลางวันยังเสียวสลังถ้ากลางค่ำกลางคืนไม่ยอมย่างกลายไปเด็ดขาดพอดีผู้ใหญ่คาสัญญาว่าสองพลานเป็นคนนาทางก็จะไปด้วยวันรุ่งขึ้น คนทั้งสามก็สะพายปืนเข้าป่านะแป้นจุดทูบบนบานสารกล่าวเจ้าพ่อภูสิงห์ให้ได้พบผัวของแกด้วยเถิดชาวบ้านก็อุ้มลูกจูงหลานมาจับ ก, กลุ่มพูดคุยกันหนาตาฝ่ายพานกับผู้ใหญ่บ้านตามรอยน้าโฮมไปจนถึงภูสิงห์รอบตัวไม่แต่ป่าทึบเปล่าเปลี่ยวแสงแดดเทจะส่องไม่ถึงใบไม้เน่าๆกองทับถม ส่งกลิ่นเหม็นหน้าอึดอัดจนต้องเบือนหนีสายลมคล่ำครวนอยู่ตามยอดไม้ฟังเหมือนเสียงใครกระซิบกระซาบความลับต่อกันจุๆใครคนหนึ่งก็โผล่พวดเข้ามาเล่นเอาสะดุ้งโหยงไปตามตามกันนวลร้องว่าไอ้ห้ามาทำอะไรที่นี่วะคำตอบที่ได้คือไอ้โฮมนอนตายอยู่ในเหวภูสิงโน่นทั้งหมดพากันปีนป่ายขึ้นไปจนถึงจะ ง, งอนผา มองลงไปก็เห็นล่างอันเหลวแหลกอาบเลือดของนาโฮมนอนลืมตาโพลงอาปากค้างผู้ใหญ่คำหันมหาทิศห้าวแต่ก็ไม่เห็นเสีแล้วตานวนสบตากับลุงโอดและร้องออกมาพร้อมกันว่าไอห้ามันโดนงู ก, กัดตายไปแล้วเย็นนั้นผู้ใหญ่คำกับสองพลานวิ่งล้มลุกคลุกค ล, ลานกลับมาเนื้อตัวถลอกปอกะเปิ่หอบพัก ปานจะขาดใจตายทั้งเจอศพนโฮมกับผีทิดห้าวหลอกน่ะสิหลังจากวันนั้นผู้ใหญ่คำพลานทั้งสองคนก็ได้ขอแรงชาวบ้านให้มาช่วยกันพาศพนโฮมไปทําพิธีทางศาสนาต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b ์เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ